จนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปัญหาทรรมบุญอุทิศโดยท่านพระโพธิรักษ์ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นัาบัดนี้ อาจจริธรรมญาติโยงทั้งหลายถ้าวันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะเทศถึงเรื่องเกี่ยวกับบุญนะบุญกรุยาวัตถุทั้งสิเสร็จแล้วก็ได้รับข้อถามอันนี้มาคำถามอันนี้อาตมาได้รับแล้วก็รู้สึกว่า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 สทุกครั้งที่ดิฉันทําบุญดิฉันจะต้องคิดเสมอว่าคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันจะต้องได้รับเพราะตั้งใจทําให้ในวันครบรอบโดยเฉพาะ 5. ดิฉันไม่ชอบใส่บาตรเพราะเพื่อนดิฉันเคยเห็นพระถ่ายอาหารจากบาตรใส่อ่างให้ลูกศิษย์เอาไปบ้านมองละเปิดดิฉันหวงของที่จะส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่มองละปิดดิฉันจะทําอาหารถวายถึงกุฏิ และกลับไปตรวจน้ำที่บ้านในเรืบกลางตาํารา 6. จะทราบได้อย่างไรว่าท่านทั้งสองไปเกิดแล้วหรื อ, อยัง 7. ดิฉันจะต้องทำบุญให้ท่านอีกนานเท่าไรเพราะดิฉันทำบุญครั้งหนึ่งบาปจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึง่งเพราะจิตใจดิฉันไม่บริสุทธิ์ไม่สงบชอบจะชอบนั่งคิดว่าก็อ ถ้าได้ฉันใส่บาทก็คิดเรื่องพระเอาไปแบ่งให้ลูกหลานก่อนท่านจะได้ฉันขอจัดเลี้ยงพระพระก็ฉันต่อหน้าต่อตาแถมลูกศิษย์ฉั้นต่อและยังญาติโยมอีกด้วยอาหารก็หมดขอพอตรวจน้ำจบก็เอาไปรดต้นไม้ต้นไม้ก็ตตวันโตคืนงอ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 บิดามดดาของอดอาหารแน่ในเงือกกลุ่มใจค่ะก็สิคุณแม่ตายครบห้สิบวันดิฉันก็เลี้ยงพระอีกดิฉันเลี้ยงพระเพนในวันครบห้สิบวันเพราะกลางคืนวันนั้นดิฉันก็ฝันเห็นคุณแม่นั่งร้องไห้หนึ่งือกซึ่งตั้งแต่ตายไม่เคยฝันถึงเลยอันในฉันถามท่านว่าแม่ร้องไห้ทําไม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 พอถึงความคิดที่ดิฉันจะพอถึงความคิดดิฉันก็ว่าถาวายพระเดี๋ยวพระก็เอาของเราไปใช้เสิหรอกแต่ถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างก็กลัวคุณแม่ไม่สบายใจวงเล็บเปิดแปลกตายแล้วยังคิดว่าจะไม่สบายใจวงเล็บปิดดิฉันก็เลยไปปรึกษาท่านเจ้าคุณวัดข้างๆบ้านดูล่าวให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าก็ทําบุญไปให้ท่านสิ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 รูปแบบอาศัยจารีตประเพณีอาศัยอะไรอะไรบ้างก็ทาเราจะไม่ฟื้นจนเกินการว่าเมื่อเวลาทเมื่อเวลาคนตายจนป่านนี้แล้วเนี่ยเามีรูปแบบเขามีพิธีการอะไรกันเยอะแยะ <c oughs> บานปลายไปตั้งมากตายทีนึ่งนี่ยุ่งยากเป็นทุกข์เราก็ทำบ้างนะเราจะทำบุญเราจะทำพิธีการอะไรก็ทำกับเขาบ้าง จะเผาจะให้พระมาเทศอะไรซึ่งเราก็รู้ว่ามันมีประโยชน์ในส่วนหลายส่วนที่มีประโยชน์เราก็ทําพำของนั้นที่เรื่องของการถวายเข้าถวายของนี่มีมากเหลืเกินถวายนั่นทานนั่นทานนี่ น, น, นี่มันเป็นเลขเลขอาตมาพูดกรงๆงอะ่ะมันเป็นเลขเลข ท, ที่พระท่านใช้ปัญญาแล้วก็ทําพิธีการอะไรตวงเอาไว้สําหรับ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 พอถามว่าเอาไปเอาขอไปถวายพระไปถามเจ้าคุณเมื่อท่านได้รับหรือจะได้รับไหมก็ทํากันประเพณีพอให้อธิบายไม่อธิบายพอเสร็จแล้วจะบอกว่าจะทําของถวายพระก็จบอกว่าทวารับของถวายพระพอถวายมากๆก็ไม่เห็นพูดอะไรกลับเฉยอ ะ, อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาตมาเคยวิเคราะห์มามากวิเคราะห์วิจารให้เห็นและทําให้เข้าใจด้วยปัญญาก็จะกลุ้มใจอย่างที่ว่านี่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 อาตมาพิสูจนได้เห็นง่ายๆเลยให้ชัดๆสโลโมชั่นเลยนะเอาทุเรียนมาถวายพระพระรับมานี่นะรับมาแล้วพระก็ฉันตุย้ยตุยลงกระเพาะนะตาไม่ดีพอไปอยู่ในกระเพาะพระแล้วก็มาบอกกันว่าเอา้าตรวจน้ํานะแล้วทุเรียนจะไปถึงพระไปถึงพ่อแม่ถามอาตมาก็วอกปัญห า, าว่าทุเรียนออกจากท้องพระไหมคนต่อก็จะต้องรู้โดยความเป็นจริงว่าทุเรียนไม่ออกจากกระเพาะพระ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 คุณทำทานการสละจิตของคุณทานนี่คือการชำระให้จิตละโลภละโกรธนี่ไม่ได้ละโลภเลยยังหวงโลภยังโลภเอาของนะีจะม่ให้พ่อแม่และแถมยังมาใช้ใช้พระเธออีกอ้าวโกเจงที่แล้วบอกว่าพระได้กินแล้วก็หวงพระไม่ให้กินถ้าดูเอาพระก็กินไปแล้วพระกินแลแ้วแถมไปให้ลูกศิษย์กินอีกโอ้ยตายทุกตายเลยแบบนี้จิตเนี่ยจิตมันมีชัดๆก็คือจิตเรายังขี้หวง ฟังดีๆที่ถามมาใ น, นฟังดีๆถ้าเราเข้าใจไม่ถูกแล้วก็เราจึงมีจิตขี่หวงแบบนั้นยิ่งต่อไปก็ยิ่งทุกข์มากมายมหาศาลก็ขอตัดประเด็นไม่เอาตามคำถามเป็นข้อๆไปเราจะอธิบายให้ฟังว่าพ่อแม่ที่ตายไปแล้วนั่น่ะไม่มีส่วนได้รับส่วนบุญคนตายไปแล้วไม่มีรับส่วนบุญมีเปรตชนิดเดียว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 มันก็จะพัฒนาวิมังสาเพราะฉะนั้นเราก็แหมมันฉันทามันยินดีเหลือเกินอู้ดีจังเลยท่านว่าไว้นี่ชัดเจนดีเหลือเกินเราก็พอใจคุณก็พร้อมจะวิริยะภาคเพียนใจมีเท่าไหร่มันก็มันยินดีนี่นะมันปิติมันพอใจมันเอาเลยละใจมีเท่าไหร่ก็โถมทาไปเลยคุณจะไปทำเมื่อคุณฟังทำแล้วเข้าใจดีคุณจะได้ดีเมื่อคุณไปทาดี ฟังนี่ก็เป็น เ, เพียงแบ่งรู้แบ่งรู้ดีอธิบายความรู้ที่ดีให้คุณฟังคุณรู้ดีสัทธาเรื่อมใยคุณก็ไปทำเองได้มันแบ่งกันได้ทุนนี้จะบอกว่าบุญนี่ถึงกันได้ก็มีปรัตตุชีวะกับเปตคือเปรตเป็นชีวะชีวิตเปรตที่มีชีวีบางทีก็เรียกปรัตตูชีวีปรัตตูชีวีคือเปรตที่มีชีวิตคือจิตวิ ญ, ญญาณที่อยู่ในคนเป็น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 เป็นบุญเป็นอกุศลอะไรเลยเลยใช่ไม่ได้เลยเป็นศาสนาในทุนไปคนก็เลยจะต้องมากอบโกยมาทำตนให้เป็นเศรษฐีให้ได้แย่งชิงเท่าไหร่ก็จะต้องแย่งชิงเพราะมันจะได้อือ้อเฟือพ่อแม่หรือว่าใครแต่ใครที่ตายไปเพราะฉะนั้นเป็นก็จะได้เดี๋ยวนี้เงินทองตายก็จะได้อุทิศไปให้คนที่ตายกลายเป็นศาสนาที่เร่งรัดในคนนี่มากอบโกยเงินทองเท่านั้นมีแต่มาหามาหามมาหอบมาห่วงมาหาแย่ง แต่เงินทองเพราะจะต้องเป็นกลายเป็นศาสนานายทุนเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันตรงข้ามกับศาสนาพระพุทธเจ้าศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนานายทุนไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องมาหอบห่วงหาผามไม่ใช่มากรอบโกยสะสมแต่เป็นศาสนาที่ให้กล้าทานกล้าให้กล้าให้จนกระทั่งไม่ต้องสะสมอะไรได้เป็นอัปปัจจยะคนที่อัปปัจจยะไม่สะสมแม้แต่ปัจใจสีอะ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 จะมาถึงขั้นที่ไม่สะสมเป็นคนระดับสูงสุดขั้นวั น, นะระดับที่8ปอปัจจยะเนี่ยไม่สะสมแม้แต่ปัจจัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นหรอกยากมากนะยากเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจทิศทางที่ถูกต้องแล้วแต่ต้นเราจะเล่นกอบโกยหออหามแล้วก็มาค่อยทยอยทำบุญอะไรแต่ออไรทาทีทำท่านี้ไปเนี่ยมันไม่รอดนะเพราะเราจะต้องมาหัดฝึกชาระ จ, จิตใจออกแม้แต่เราจะทําบุญให้พระฉันเราก็รู้ว่าเรามาเลี้ยงพระไว้พระนี่ท่านหนึ่งไม่สะสมข้าวไม่สะสมน้าไม่สะสมอาหารไม่สะสมอะไรท่านก็ต้องอาศัยรับประทานกับคนอย่างน้อยท่านก็ออกไปบินทบาทคุณอยู่บ้านพระผ่านหน้าบ้านคุณก็ช่วยท่านไว้แบ่งด้วยเป็นแบบสหกรณ์แบบแชร์ใส่บาทคนละทัพพีไม่ต้องมากต้องไม้ท่านเบินผ่านโน่นบา้านผ่านบา้านโน่นบ้านนี้ไปมีอาหารมี อะไรคุณก็แบ่งไปไม่ต้องมากทัวไม้ถ้าเราจนจนก็เป็นแต่เพียงช้อนเดียวทัพีเดียวก็ได้แต่เรามั่งมีเราร่ำรวยจะให้ท่านมากๆกกว่านั้นก็ตามใจไม่ได้ห้ามในห่วงอะไรให้มากมันก็เป็นการชำระกล้าจ่ายออกมากๆของเราบุญก็เป็นของเราเพราะการชำระกิเลสการกล้าให้เนี่ยกล้าบริจาค ก, กล้าทานเนี่ยมันเป็นการละความโลภมันเป็นการแสดงถึงความโลภที่เราหมดลงจริงๆ แล้วเราก็เข้าใจด้วยปัญญาได้ว่าเราให้พระเนี่ยให้พระท่านฉันไม่จะให้เพื่อส่งไปให้พอ่อให้แม่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรื่องที่คาลักาสังมากเลยเป็นเรื่องที่อาตมาตั้งพยายามอธิบายคนที่มีปัญญาก็เข้าใจแล้วคนที่ไม่มีปัญญาก็ยังหลงง ม, มงายอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเออมาไปทําำมาไ ป, ไ, ปไปส่งไปถึงพอ่อถึงแม่เลยฉันก็ไม่ทำอ่ะทำแล้วไม่ส่งไปถึงพอ่อถึงแม่เลยจะไปทำทำไมอ้าว คุณไม่ทําคุณก็ไม่ได้บุญดิคุณก็ไม่ได้ชําระกิเลสดิก็คุณทำมันแหละคุณได้ไม่ใช่พ่อแม่ได้แบ่งไปยังไงก็ไม่ได้ไม่ใช่พ่อแม่จะได้บุญคุณได้บุญคุณทำอ่ะคุณทํากับพระก็ทําตามก็ทำกับคนธรรมดาคนจนก็ตามแต่ทํากับพระนะ่ะยิ่งเป็นพระอริยะที่แท้จริง ม, มันยิ่งมีคุณค่ามันนี่มีบุญมากเพระพระอริยะถ้าก็ยิ่งจะความโลภน้อยก็ทํากับคนที่มีความโลภน้อยก็ยิ่งบุญสูง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 นี่เรายิ่งได้ใส่กับพระที่เป็นพระโสดาบันมีบุญได้เป็นร้อยต่อก็ทํานิจทานถ้าได้ทํากับพระสกิทาคามีได้ให้อาหารแก่พระสะกิทาคามีหนึ่งครั้งมีอานิสงส์สูงก่อให้อาหารแก่พระโสดาบันครั้งเดียวถ้าให้แก่พระอนาคามีหนึ่งครั้งก็ได้บุญยิ่งก่อให้แก่พระสะกิทาคามีร้อยครั้งให้แก่พระอระหันต์หนึ่งครั้งก็ได้อานิสงส์สูงก่อให้พระอนาคามีร้อยครั้งนี้เป็นต้น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 เรายังหวงแหนเรายังจะเอาไปให้คนนั้นคนนี้ขี่เหนียวไว้ให้คนนั้นคนนี้แบ่งไปให้คนนั้นคนนี้อ่ะมันก็แบ่งนะทีมันให้เต็มที่ไหนเราใจมันก็ยังโลภๆยังแบ่งเอาแบ่งนั่นแบ่งนี่ไม่ได้สละออกไปอย่างเข้าใจด้วยปัญญาว่าสละทําไมสละให้ใครประโยชน์อะไรเราไม่เข้าใจก็สละให้แก่ผู้ที่เราให้ประโยชน์เพื่อคุณค่าเพื่อเป็นประโยชน์อ น, นั้นเขาจะเอาไปเกื่อกูลคนอื่นต่ออีกก็ตามใจ เพระเาะฉะนั้นให้กับพระพระไปให้ลูกศิษย์กินแทนที่จะห่วง ว, ว, ว่าจะกินหมดแล้วไม่ได้ไม่ ไ, ได้ไปถึงพ่อแล้วตายก็เลยยกลับหลังหันเลยอืกลับเป็นคนละอย่างเลยแทนที่จะดีใจว่าเออเอาให้พระพระท่านก็ฉันน้อท่านก็เออเฟื่องเกลื่อนให้ลูกศิษย์ฉันต่อไปอีกมันได้บุญทอดไปอีกด้วยซ้ํา ม, มันได้บุญมากนะได้บุญมากเลยนะต่อออกไปอีกไม่ใช่ว่ายิ่งเราได้บุญน้อยนะ ยิ่งท่านกินพระครัตนชันแล้วก็ยังเอื้อเฟื้อเอื้อกลให้ลูกศิษย์ชันลูกศิษย์ฉันยังลูกศิษย์กินก็ยังไม่หมดอีกลูกศิษย์ยังเอามีกระจิกระจ้าเอาไปแบ่งแจกให้คนนั้นคนนี้อีกเอาไปแจกเอาไปเหลือก็เอาไปให้ปลาให้ปู ก, กินหรือว่าเอาไปให้คนยากคนจนต่อไปอีกมันยิ่งบุญยาวยืดไปคุณไม่ต้องทําคุณทําทีเดียวแล้วนี่เขาต่อยืดยาวไปถึงคนอีกจึงมากจึงมายคุณยิ่งได้บุญมากเอากลับเข้าใจผิด เนี่ยมันมันจะมันเมือนกับจะเราปัดกันเลยเห็นหมาตั้งจิตไปผิดแล้วมันเลยกังกลกังวลเงินข้ามเลยแทนที่จะเห็นว่าโอ้ยพระท่านฉันยังไม่หมดท่านก็เอาไปให้ลูกศิษย์ ต, ตอบไปอีกว่ายิ่งจะไม่ถึงแม่ใหญ่อ้าวมันก็ยิ่งกลายเป็นจิตยิ่งขี้เหนียว ใ, ใหญ่เข้าไปใหญ่มันยิ่งทุกข์ใหญ่มันยิงนย่งเข้าใจผิดใหญ่ปัญญาก็ยิง่กงกงเงินข้ามเลยแต่ถ้ายิ่งเข้าใจเนี่ยอ๋อยิ่งแจกจ่ายเจอือจานไปอีกนะ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 พระถ้าเขาชันแต่น้อยนิดหน่อยแล้วแบ่งให้ไอ้คนที่มีความจําเป็นคนนี้ต้องกินคุณค่าอาหารอันนี้มากๆเอาของดีเนื้ให้ลูกศิษย์ที่บวยเจ็บหรือว่าขาดค่าอาหารไปเลยก็ยิ่งได้บุญสูงใหญ่เลย <What? S 2> พระก็ยิ่งแม่ติดใจท่านดีเหลือเกินและจิต ด, ดีต่อจิต ด, ดีนี่มันทับทวีเป็นบุญยิ่งเป็นบุญอันมหาศาลขึ้นสูงขึ้นได้ซ้ําไปนี่ถ้าไม่เข้าใจโดยปัญญาดีๆแล้วเราจะมองอะไรกลับผิดหมดแทนที่มันจะยิ่งดี มันก็เลยกลายเป็นยิ่งร้าย อ, อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะการเอื้อเฟื้อกเกื้อกูลถวายของหรือแจกทานและขอนั้นทานต่อต่อ ต, อ ต, อ ต, อตอไปอีกได้เท่าไรถ้าเรียกว่าเนื้อนาบุญมันงอกงอกงอกเงยไปเจริญงอกงามดียิ่งเท่าไหรไปอย่าไปหวงแหนเลยถ้าเราไว้ใจพระท่านเป็นสัตตบรุษเป็นผู้รู้แล้วเราให้ท่านแล้วท่านก็จะต้องตัดสินท่านก็จะเลือกด้วยปัญญาท่านจะทานต่อหรือท่านจะให้ใครหรือท่านจะทําอะไร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 เอาคุณก็อินดูเกื้ อ, อ, อกูลจะกินจะอยู่จะใช้จะสอยให้ท่านเออนุเคราะห์ให้ท่านได้ทําสิ่งที่เป็นความเจริญจะให้ตังสตุ่งของท่านไปทําบุญทําทานก็เชิญท่านก็จะได้ไปเลือกทําท่านเองตามปัญญาให้สิทธิขาดของท่านไปจะให้อาหารการกินจะให้เครื่องอยู่อาศัยจะทําอะไร อ, อะไรให้ท่านได้อยู่อย่างเป็นสุขโดยซ้อนมีท้ามีในยากก็ให้ซ้อนไม่ใช่ไปบมเบรอร์ท่านจนกระทั่งกลายเป็นเฟอแล้วก็กลายเป็นโทษ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 ไอพ่อหลกบ้านจะมานี่ไม่มาอะไรนะไม่ต้องเชิญมันด้วยไม่ต้องออกบัตรด้วยพอบรรู้ว่า น, นี้งานบ้านนี้จะทํางานเลี้ยงห้สวันพ่อตายแม่ตายหรือลอยวันนะไม่ต้องไปนัดแนะมันแล้มันมาเลยมากินลูกเดียวกินนะล้มงัว ล, ล, ล้มควายบ้านไหนยิ่งรวยมันยิ่งบอกโห้ย oh, บ้านนี้รวยว่้ยิ่งเทฮโลเลยทั้งหมู่บ้านเลยควายเท่าไหร่งัวเท่าไหร่ก็ล้มกันไปกินให้เหลือเฟือเลย ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเลยเนี่ยเป็นการล้มทับถ้าคุณร่ํารวยก็ทําไปอย่างน้อยที่สุดไอ้คนจนในหมู่บ้านนั้นแล้วมันก็แสดงความจิตคีโลบด้วยไอ้คนหมู่บ้านก็มหาเรื่องจะไปกินของเขาแล้วกลายเป็นจารีตประเพณีที่เละเอะเทอะไม่ได้ประโยชน์คุณค่าจิตของเขาไม่เกิดเลยจิตของคนจะมากินก็ตั้งใจมาโลภไอ้จะให้จะสอนก็ไม่มีลีลาจะสอนไม่มีนโยบายไม่มีรูปแบบจะสอนกันเพราะพ่อเหล่านั้นสอนไม่เป็นลนะ แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจว่างานอย่างนี้จัดขึ้นมาเพื่ออะไรไม่เข้าใจมีแต่จะบำรุงบำเรอกันไปเท่านั้นไม่ใช่บำรุงนะบำเรอปลนเปลและก็เฟอแล้ว ก, กลายเป็นจารีที่เผาผลาญเล่นไม่เกิดคุณแต่ผลาญเล่นะจะบอกว่ามีประโยชน์บ้างว่าคนจนมันจะได้โอกาสมันมากินมันก็มากินอย่างจิตขี่โลภไม่คุ้มกันเลยว่า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 นี่อาตมาอธิบายนี่มันเชิงซ้อนมีเชิงซ้อนลึกซึ้งเข้าไปอยู่ถ้าใครฟังเป็นจะเห็นเด่นชัดว่าเออมันจริงอย่างนั้นเพราะ น, นโยบายด้วยว่าจารีประเพณีแบบอย่างพวกนี้ถ้ามันเฟอ้อแล้วมันไม่เขารูคเรรองแล้วอาตมานี่ก็หันตัดไม่เอานะแต่ถ้าใครจะนิมนต์อาตมาไปงานอาตมาก็จะทําประโยชน์ให้แก่เขาได้รู้ความจริงอะไรขึ้นมามากม า, กายไม่ใช่ว่าจะมานั่งหลงกินหลงเลี้ยงอะไรกันไม่เขาท่านะ พราะการจะทําบุญใส่บาตรตรวจน้ำเนี่ยถ้าเผื่อว่าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องตรวจรอกตรวจน้ําแต่ถ้ายังติดยังยึดอยู่ก็จะตรวจก็ตรวจไปก็ทำงั้นแหละการตรวจก็มีเชิงอัตมา ก, กันแน่วา่าจะตรวจก็หลังน้ําลงไปเนี่ยท่านอธิบายว่าพระแม่ทรณีเป็นพยานด้วยนะข้าพเจ้าจะทําทานอย่างนี้เหมือนอย่พระเวสสันดรหลัง่งน้ำตอนที่ทานช้างทานมา้าอะไ ร, ะไรต่างๆนานา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 ไอ้เออาอาหารมาถวายพระความดีก็คือกรรมกิริยาที่เราถวายกรรมกิริยาที่เราทำทานเสสละนี่เป็นความดีอาจจะส่งความดีนี้ไปพ่อแม่จะรู้ไปด้วยน้ำได้ยังไงน้ำเนี่ยไปกระิบขี่ข้างหูเลยบอกลูกทำบุญนเป็นความดีนะแม่จงรู้นะว่าลูกเนี่ยการกระทำอย่างนี้เพราะงะั้นพ่อแม่จงทำบุญตามลูกนะเอาอย่างลูกนะน้ำไมนจะไปกระสิบบอกอย่างนั้นเหรอ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 ตายไปแล้วนะไม่ให้กินข้าวตั้งปีก็ไปทําอีกทียังตายต่อเลยไม่รู้ตายไปเป็นอะไรแล้วตอนนี้จะไปทําบุญถึงที่ไหนแล้วตอนนี้ไอ้ตัวตายไปทีนึงแล้วก็ว่าจะทําบุญไปถึงแล้วปีหนึ่งก็ไปแอดทาทีหนึ่งแล้วอีกปีหนึ่งอดข้าวเนี่ยมันไปทนไหวอะ่ะมันก็ตายแล้วอะ่ะแล้วตายแล้วตอนนี้ไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้จะทําไปถึงไหนแล้วตอนนี้แต่ไปทําให้ไปให้ไปไหนอะ่ะถ้าไปว่าว่าตายแล้วมันก็มีอยู่สองฝั่งตายกับเกิด ถ้าตายจากตอนนั้นก็คงมาเกิดแล้วตอนนี้ก็ปีหนึ่งไม่ให้กินก็คงมาเกิดแล้วอะถ้าตายมันก็กลับไปกลับมาเป็นสองอย่างตอนตายก็เกิดถ้าตายต่อไปนั้นอีกคือตายอะไรล่ะตอนนี้ก็เรียกว่าเกิดก็คงกลับมาเกิดแล้วอ่าถ้าบุญมีก็มาเกิดเป็นคนถ้าบุญไม่มีก็ไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่สัตว์เสือสิงสาหมาแมวอะไรก็แล้วแต่ก็ไปเกิดแล้วอ่ะนี่จะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามใจอ่ะอ่า ซึ่งมันก็คิดไม่ออกแล้วเราก็ไ ม, ไม่ไม่เห็นจะน่าคิดพระพุทธเจ้าท่านก็ห้ามคิดและท่านก็ไม่สอนให้ไประลึกถึงอย่างนั้นให้ระลึกถึงกรรมดีถ้าเราทำกรรมดีเราไปดีไปตามบุญตามกรรมเราทำกรรมไวด้ดีไปบุญดีเพราะฉะนั้นพ่อแม่เป็นเป็นป น, ป น, ป น, นให้ท่านทำกรรมดีอุนุนจุนเจือท่านให้ท่านทกรรมดีตั้งแต่เป็นเป็นนี่สิกตัญยูกตะเวทีตายไปแล้วไปช่วยอยงั้นช่วยกันไม่ได้ จะบอกว่ามีลีลาว่าเนี่ยเราเป็นผู้ที่กตัญญูกตวเวทีระลึกถึงพ่อแม่อ๊มาแอกร ะ, ะลึกถึงปีหนึ่งจะกี่ครั้งเอาเขาสงกรานต์ทีหนึ่งเอาชื่อมาเขียนอจตมาก็บอกแล้วยิ่งเขียนชื่อปู่ย่าตาทวดมากมากได้เท่าไร่เอาชื่อและร้อยชื่อละพันหวานเลยพระยิ่งนั่งสดยิ่งนั่งได้มากก็หลายชื่อก็ยิ่งหลายร้อยอะ่ะหลายาชื่อละร้อยก็หลายร้อยชื่อละพันก็ยิ่งหลายพันหวานคอแรงคอกาเลย เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งนะอาตมาว่าพวกเราเนี่ยมาศึกษาเถอะอาตมามีอีกมากมายที่จะวิเคราะห์วิจัยเจาะลึกให้เห็นว่าความละเมียดละไมของธรรมะความทานการทานก็ยังจะพูดกันอีกมากการรักษาศีลเพื่อให้ขัดเกลาก็ยังจะพูดอีกมากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นภาวนาไม่ปรากฏผลก็คือทานและศีลนี่แหละเป็นหลักใหญ่แล้วกเกิดภาวนาไม่ ซึ่งเราจะต้องมาเรียนรู้สัจจะที่แท้จริงเพราะในวันนี้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องที่จะอธิบายธรรมะกันก็ขอสรุปให้คุณเห็นชัดเจนสำหรับเจ้าของจุดหมายเจ้าของปัญหาว่าคุณจะทำบุญถึงพ่อแม่ที่ตายเนี่ยจะมีจารีประเพณีเล็กน้อยก็ทำไปแล้วก็อย่าไปห่วงหาอาวรให้รู้ว่าตายพ่อแม่ตายแล้วเลี้ยงลูกให้รู้จกักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตาย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 พอตายแล้วก็เลิกกันนะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดพิลึกพิลกอะไรว่าจะต้องส่งอะไรไปพอแมกกินกินยังไงกัหลราวิญญาณนะมันไม่กินดินน้ําไฟลมไอ้ทุกคนจะให้ไปกินมันดินน้ําไฟลมเนี่ยเป็นข้าวเป็นนา้าเป็นฝรัง่งเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นธาตุประชุมอยู่ในโลกนี้ในโลกวิญญาณไม่มีในโลกวิญญาณไม่ ม, ญญญ ม, มีอย่าไปหลอกกันกินลมลมแรง เป็นหลอกว่าจะส่งฝรั่งห้กินแล้วเขาก็อธิบายว่าพ่อแม่ก็เลยเห็นรูปเป็นฝรั่งมันไม่เป็นดินน้ําไฟลงมหรอกเป็นรูปฝรั่งแล้วก็กินรูปฝรั่งเป็นรูปรูปไอ้รูปเป็นปั่นนะนะกินเข้าไปเออก็ไม่ต้องปั่นก็ปั่นเองกินก็ได้ถ้าอย่างนั้นะก็มันปั่นเองลมๆแรงๆอ่ะอย่าไปนั่งให้คนนั้นคนนี้ปั่นกันไปให้มันยุ่งยากทําไมแล้วก็ปั่นเองซะเลยจะกินฝรั่งชนิดไหนล่ะนี่เขาว่าฝรั่งเวียดนามก็กินเลยฝรั่งเวียดนามลูกโต ทีนี้ก็ฝรั่งอะไรจะลูกโตกับเวียดนามีกันฝรั่งลาวเหรอเพราะไหมที่เพราะฝรั่งลาวลูกโตกับฝรั่งเวียดนามไหมฝรั่งอย่างเดียวยังไม่พออยากเอาเวียดนามมาบวกแล้วทีนี้ก็ฝรั่งเวียดนามลาวเลยสามชื่อเลยจะได้ตัวลูกโตวกว่า น, นี้ <c oughs> ก็กินเข้าไปดีสมมุติอะไรขึ้นมามนเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่เข้าใจโดยนามธรรมาและวัตถุธรรมที่ถูกต้องอย่างละเอียดละออแล้วมันสับสน แล้วมันเลอะเทอะแม้ว่าขอให้คลายใจเถอว่าคุณยาไปแล้วก็มาพอว่าโอ๊ยทำอางนั้นฉันจะทําบุญไปถึงพ่อแม่อีกกี่ชาติพ่อแม่รู้ว่าท่าไปเกิดแล้วอย่างไม่ต้องห่วงอะเกิดไม่เกิดก็เรื่องของบุญบาปของท่านจิตวิญญาณของท่านไปตามกรรมกรรมสโกรมหิกรรมเป็นของของตนแล้วผู้ที่มีกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็เป็นทายาทของกรรมไปเองอะจะได้พึ่งหนักพึ่งเบาจะได้พึ่งดีพึ่งชั่วจะได้พึ่งสุขพึ่งทุกข์ ก็เป็นกรรมของคุณนั้นทำคุณนั่นแหละทํากรรมของคุณให้ดีสอนพ่อแม่ใครพ่อแม่ทํากรรมที่ดีถ้าคุณสอนสามารถสอนพ่อแม่ได้หรือพ่อแม่สอนลูกคนสอนลูกให้ทํากรรมที่ดีก็จะได้พึ่งกรรมที่ตนทํำเป็นของของตนนั่นเองทําแทนกันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้แจกกันไม่ได้อ่าถ้าแบ่งแจกได้ตมาก็วิเคราะห์ฟังแล้วก็แบ่งบาปทิ้งหมดที่เรื่องอะไรเราจะมาแบ่งบุญเท่านั้นเองก็แบ่งบาปให้เกลี้ยงไปเลยไม่ต้องเหลือบาปกันพอดี มันแบ่งไม่ได้บาปก็แบ่งไม่ได้บุญก็แบ่งไม่ได้แนะกันพอได้และผู้ที่มีสุรภาวโวอิศสมมติมันโตผู้มีดินน้ำไฟลมเป็นแท่งก้อนเนี่ยวสุรภ า, าโวมีอยู่ในโลกนี่โลกที่เป็นมนุษย์นี่เป็นร่างเนี่ยนี่เราเป็นโลกที่จะเจริญทางธรรมพรหมจรรย์ศาสนาสอนกันให้รู้ความดีความชั่วบำเพ็ญบาปบำเพ็ญบุญกันตรงนี้อย่าไปบำเพ็ญบาปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบาปบำเพ็ญไปทำไม มันเป็นบุญกันทําให้มันเกิดบุญเกิดกุศลนี่จะได้ในโลกนี้แท่งนี้เนี่ยดีที่สุดทิทัาพมจริยาวาโสนอกกว่านั้นแล้วโอ้ยขนาดบอกกันจะเป็นๆเนี่ให้ทําบุญมันก็ทั้งยากแสนยากเนี่ยจะไปเข็นบอกไอ้คนตายมันทําบุญพระพุทธเจ้าไม่ไม่แนะนํระารพุทธเจ้าแนะนํำไม่นี่มาช่วยกันนี่มนุษย์เป็นๆ น, นี่นะมนุษย์ตายแล้วก็ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเลยนะ เพราะพ่อแม่ที่ตายไปแล้วพยายามทําความเข้าใจให้ดีนี้อาตมาพูดโดยสัจจะไม่ใช่ว่าไม่มีเมตตาไม่เกลือกลูไม่เอื้อกเฟือ้อไม่ห่วงหาอาวอ่อาตมาไม่ห่วงหรอกทุกอย่างเป็นไปตามธรรมห่วงหาอาวบเป็นทุกข์นะพ่อแม่ได้ทําบุญคุณอะไรเอาไว้เราจดจําบุญคุณก็คือคุณงามความดีเราเอาคุณงามความดีที่พ่อแม่เคยบําเพ็ญ น, นั้นมารักษาไว้พ่อแม่เราเคยทํำดีอันนี้เอ้าเราทําดีตามทําให้ดียิ่งกว่าก็ได้หรือทําให้เหมือน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 อะไรไม่ดีปรับปรุงขึ้นพอแม่ทําไม่ดีปู่ย่าตายายทำไม่ดีอันนั้นอัเราไม่ต้องเอาเราเป็นลูกที่ดีที่ปรับปรุงกรรมกิริยาที่ดีถ้าพ่อว่ายังมีสกุลอยู่ก็จะได้รู้ว่าโอ้ยสกุลนี้เขารักษาความดีของพ่อแม่ทําไวของปู่ย่าไว้แล้วเขายังแถมทําความดีใหม่ที่เจริญงอกงามกว่าเก่าเข้าไวอีกอย่างนี้เป็นความเจริญที่ดีการจะตรวจน้ําตรวจท่านี้ก็ไม่ใช่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 ถ้าเข้าใจโดยลึกซึ้งตามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมสกโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปิติสระโนกรรมเป็นของของตนยิ่งตายแล้วแล้วก็ประกอบกรรมไม่ค่อยได้กตายแล้วเนี่ยประกอบกรรมอะไรไม่ได้หรอกเพราะจิตวิญญาณก็เป็นแต่เพียงว่ามันก็ดิ้นรนไปตามกรรมแสวงหาที่เกิดก็ตามใจเขาทุกร้อนเพราะเขาแสวงหาความติดเขาติดอะไรเขาก็แสวงหาตามจิต ที่มันเป็นความติดยึดที่ไม่ปล่อยไม่วางเพราะ้นพระอาหารท่านหมดปล่อยวางแล้วท่าไม่เรืออะไรแล้วตายแล้ววิญญาณจะไม่หาอาหารที่เกิดอีกเลยเพราะไม่แสวงหาอะไรอีกแล้วปล่อยหมดแล้วจริงและปล่อยได้จริงเลยนะจิงวิญญาณถ้านปล่อยละจริงจไม่เอาวนาอะไรอะไรไม่ติดอะไรมันจึงสูญสลายมันไม่นําเกิดแต่คนที่ยังมีกิเลสอยู่มันจะต้องนําเกิดตามจุดที่จิตของเราติดอยู่อาการจิตที่เราติดอยู่จริงมันจะมาเกิด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 แต่ท่านไม่จะไม่ยอมศูนย์ก็ไม่เป็นไรในคนดีมาเกิดในสังคมมาเกิดในโลกมนุษย์คนเป็นอรหัตผลคนที่มีคุณงามความดีเสียสละตั้งแต่เป็นก็เสียสละตายแล้วจะเกิดม า, าเสียสละอีกใหม่นี่มตนเลยคนเราไม่ค่อยจะปพัฒนาตั้งพุทธภูมิมาทีเยอะถ้าตั้งพุทธภูมิอีกเชิญเลยมาเกิดมาสู้กับไอโลกมนุษย์ขี้เหม็นนี่มันหนักห น, นาช่วยมันยากแสนยากแต่ก็มาช่วยมันหน่อย ถ้าไม่มีพระโพธิษัตว์ซะแล้วมันก็ไม่มีเชื่อมโยงไม่มีจังหวะเชื่อมก็ต้องมีพระโพธิษัทเป็นจังหวะเชื่อมที่ท่านต้องมีจิตที่ส th tracks, so ู้ท <in illing> ี่เ so ป so ็นพระโพธิษัทที่จะต้องช่วยมาปลูกฝังความรู้ที่ท่านได้รู้จากพระพุทธเจ้าก็มาต่อความรู้พระพุทธเจ้าไปก็พระโพธิษัทเองเป็นผู้มาต่อความรู้พระพุทธเจ้าถ้าไม่ใจ่พระโพธิษัทความรู้ไม่ใช่ตัวตัดสรู้มันก็เป็นความรู้ของคนโลกียะ เพราะฉะนั้นยุคใดๆก็แล้วแต่อยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีเนื้อหาสาระถ้าเนื้อหาสาระแช่กร่อนแล้วพระโพธิสัตว์ต้องมาต่อเนื้อหาสาระของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มาต่อมันกร่อนแล้วมันเป็นความรู้ของคนที่เบี้ยวเบี้ยวความรู้พระพุทธเจ้าพวกคนโลกโลกที่ไม่มีปัญญาตัดสู้แล้วต้องมีผู้ที่มีปัญญาตัดสู้แล้วมาต่อถ้าไม่ต่อมันก็ขาดวิ่งเาฟังดีๆแล้วจะเข้าใจจะเห็นชัดเจนนะ วันรถท่านเองท่านจะมาสู้ทุกข์อีกถ้ามีสิทธิที่จะไม่สู้ทุกข์อีกแล้วจะสูญหายไปแต่ท่านมาทํางนี้ก็มันก็เป็นบุญนะท่านก็เอาความรู้ที่จริงเขามาสืบต่อมันก็เป็นบุญแต่กถ้าใครเห็นว่าโอ้โหมันเหน็ดเหนื่อยนักหนาเลยก็จะเลิกก็เลิกเมื่อไหร่ก็เลิกพระบริษัทวองค์ไหนจะเลิกเมื่อไหร่ท่านก็เลิกตามตามความขอใจของท่านแต่ผู้ที่ยังไม่เป็นพระโพธิสัตว์จริงยังไม่มีความรู้ตัดสรุปมัเป็นอรถรตพณ์จริงนะก็เป็นพระโพธิสัตว์ขี้เกีก็เป็นสมมุตติิโพธัว เหมือนสมมติสงเนี่ยสมมติโพทิศแต่เขาไม่เคยเรียกกันนะก็เว็นตพทิศที่สมมติมันปลอมตัวปลอมสมุติไปว่าของปลอมสกุลสมมุติไม่ใช่ของจริงก็ปลอมๆอยู่มันโพธิษัทแท้กับบริษัทจริงก็มีอย่างจริงได้จริงก็เพราะว่ามันจริงมันไม่สมมติแต่สมมุติมันก็ยังไม่จริงก็เท่านั้นเองนะอนาจต่างๆพวกนี้พูดได้ลึกละเอียดได้มากกว่านี้อีกถ้าจะวิเคราะห์กันไปแล้วก็ขอจบ นะขอบอกคุณว่าฟังธรรมอาตมาวันนี้ก็สบายสบายใจไปในข้ออาตมาจะทวนให้ตัดสินให้แต่ละข้อแต่ละข้ออันนีฉันสิ้นคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วค่ะอ่าก็สิน้นไปแล้วก็สิน้นแล้วก็อิสระเสรีที่จะไม่ต้องห่วงหากาังวลไม่ต้องช่วยเหลือกเกื้อกูลท่านอีกแล้วเพราะท่านสิ้นไปแล้วก็สิ้นไปนิ่ฉันจะต้อนทําบุญสองอาหารที่ท่านชอบไปให้โดยเลี้ยงพระในวันครบรอบที่ท่านตายคุณก็ทําไปแล้วก็พอแล้วละ่ะเพะ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 เพราะตั้งใจทำให้ในวันครบรอบโดยเฉพาะถึงจะวันครบรอบหรือไมมครบรอบอยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ได้ได้เพราะเพราะวันครบรอบนะมันไม่ได้โดยความเป็นจริงมันไม่ได้อยู่แล้วห้าดิฉันไม่ชอบใส่บาตรเพราะเพื่อนดิฉันเคยเห็นพระถ่ายอาหารจากบาตรใส่อ่างให้ลูกศิษย์เอาไปบ้านก็จำไว้พระองค์ไหนไปทำอย่างนี้เห็นไหได้เสื่อมศรัทธาเห็นไห ม, ไ ม, ไหไหมพระจาไว้นะฟังแล้วก็จาไว้นะ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 กลางตําราด้วยนะโถก็หลายซับหลายซ้อนครองก็ไม่ครองยังกลางตําราตรวจน้ำซะอีก <c oughs> ก็เลิกตรวจได้แล้วนะเลิกตรวจได้แล้วไม่เป็นรายหรอกนะดิฉันจะทําอาหารถวายถึงกุฏิดีไปถวายท่านเลยถึงกุฏิแต่พาผู้ชายไปด้วยนะไปถวายสองต่อสองไม่ดีนะีมันอาบัดพระแล้วนะเรื่องมีจฉาผู้หญิงไปด้วยกันเป็นโขงก็มันยังคุ้มอาบัติไม่ได้นะท่านจะถวายถึงกุฏิก็ดีและให้พระท่านเทศน์ฟังด้วย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 ท่านก็ไปเกิดห้าปีแล้วมันจะไปมีท่าอะไรล่ะคุณแล้วเกิดแล้วใหม่มันก็ไม่ใช่พ่อเก่ามันก็เป็นพ่อใหม่เมื่อคนปีชาตินี้มาแม้เราลึกชาติได้ว่าชาติก่อนคนนี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่มาวุ่นวากันอยู่ชาตินี้อาตมาจะบอกให้นี่มันเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่กันมันหลายเจาะแะเลยเนี่ยในนี้เกี่ยวพันกันอยู่ตายเลยคนแม้พ่อเนี่ยเราราลึกได้เนี่พ่อเราเกิดนี่มันเกิดเป็นนี่อีกต้อง ย0่สคนตายระหว่างเราจะเรี้ยงกันไหวเลยเนี่ยพออีกตั้งยี่สบสคนนี่จะตายกันพอดีชักกันเลยยุ่งเลยยุ่งตายแบบเดียวกันกับใช้สํานวนของอะไรนะีคุณประสิทธิ์การจนทวัตรเลยยุ่งตายสํานวนของคุณประสิทธิ์การจนทวัตรยกไปอาตมาก็ยกไปเลยอาตมาไม่กล่าวคํานั้นก็ยุ่งแย่เลยไม่ไหวอะนะ เพราะงั้นมันมีคนเกี่ยวกันยิ่งมหายาณเขารู้ลึกแล้วอาตมาก็เข้าใจเนี่ยในที่นี้จนะบอกได้เนะี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไร อ, อะไรกันเยอะแย ะ, ะเราไม่ไปต้องไปคิดก็มันเกิดมาใหม่ร่างใหม่ถือว่ารอบใหม่แล้วยังมันนับเป็นพ่อเก่าแม่เก่าอยู่ตายแล้วยิ่งคนไหนมีเวรมีกรรมมากเกิดนาะนับชาตินะยิ่งหลายหมื่นหลายแสนชาติแล้วตายก็ยิ่งมีพ่อมีแม่ยิ่งเยอะก็ชวยกันพอดีเลย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 แล้วมันเลิกก็บอกแล้วว่าไปตามบุญตามกรรมอยู่แล้วนะอย่างเงี้ยมันแม่ตั้งจิตไว้ผิดนี่นะมันไปใหญ่เลยนี่ทุกใหญ่เลยนี่เห็นเลยนะเนี่ยพูดมาก็เห็นจใจๆอยู่แล้วว่าทุกกันเท่าไหร่เนี่ยตายข้อที่แปดห้ามว่าห้ามอาตมาจะด้วยว่าอย่าตอบว่าการทําบุญไปแล้วนี่ผู้รับจะเอาไปให้ใครหรือจะทําอะไรก็ได้คือเอาไปให้คือหมายเขามาเอาไปให้ใครแล้วว่าเออแล้วแไปให้ใครก็ได้อย่าตอบว่าอย่างนี้ถ้าไม่ตอบอย่างนี้ให้อาตมาตอบว่าอย่างไง ให้บอกเออถ้าให้ไปให้ใครแล้วคุณก็ต้องตามไปด้วยนะตายที่คุณก็เลยไม่จบกันพอดีก็บอกว่ามันไม่ตัดมันก็เลยต้องผูกพันกังวลงันไปแล้วจะไปยังไงมาไม่คิดก็ไม่ออกอีกลอยยิ่งกลุ่มใหญ่เลยตายยิ่งมืดหน้ามัวตาตายเลยเ <c oughs> นี่ยทําใจในใจไว้อย่างนี้มันเป็นการทําใจในใจไว้ผิดพลาดนะเพราะว่าอย่าทําอย่างนี้นะเพราะาการทําบุญนะ ทำไปแล้วผู้รับจะเอาไปทาอะไรให้ใครก็ได้ช่างเถอะต้องตอบอย่างนี้ขีดเส้นแดงมาด้วยนะเดี๋ยวบอกว่าอย่าตอบอย่างนี้นะต้องให้คุณทํำจะให้ไงตอบอย่างนี้แหละขีดเส้นแดงมาให้ตายไงก็ต้องคานแย่งคุณละ่ะเดวีวก็อย่าอย่าไปกังวลนะคุณจะเอาไปให้ใครแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรถ้าคุณจะทาคนนี้คุณแน่ใจว่าคนนี้เป็นคนมีปัญญาเป็นพระเป็นผู้เป็นอริยะ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 ก็ไปทําบุญกับบัณฑิตไปทําบุญกับผู้รู้โดยเสด็จพระราชกุศลก็ยังดีนะหรือว่ารู้ว่านี่เป็นพระอริยธรรมบุญนี่เป็นโสดาสกิธานาคายิ่งได้บุญสูงก็เชิญทําไปสนะินี่ขั้นตอนพระเจ้าตรัสสอนไว้ละเอียดหมดแล้วนะอ น, นอกจากนั้นอาตมา ก, ก็ไม่อ่านอีกแล้วมันยาวนะี่ยหลายอันหลายอย่างนะนี่คุณก็อธิบายเรื่องของคุณไปถามถ่ายพระอื่นๆมาก็ไม่มีล้ข้ออื่นไม่มีอะไรมากนะก็ขอ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 ใจความถูกต้องแล้วนะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าใช้อันนี้เป็นเครื่องประกอบในการบรรยายธรรมะโดยแท้จริงก็คือเรื่องของทานศีลเสื้อธรรมาไม่ได้ยกหัวข้อขึ้นมาแล้วอธิบายเองไปแล้วยกตัวอย่างประกอบมีของจริงมาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็ได้ฟังเรื่องทานทานนะสนมากวันนี้ไม่ใช่ศีลนักนะนะแล้วก็อธิบายพอสมควรแล้วแก่เวลาเร ข, ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ พอทุกข้าวเฝ้าบอดฟ้าบรรดาฟ้าเอื้เชิญประธานบุญนุนช่วยอุยพลอ่อนฟ้า ใจทน คน